ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง mp สแผ่นที่83สโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี mp สาแผ่นที่83บสให้คติธรรมหัวข้อว่าปาเปนะระมติสุจิ คนมีใจสะอาดยอมไม่ยินดีในการทำชั่วถ้าหากว่าผู้ที่มีจิตใจสูงจิตใจสะอาดมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีคนนั้นเขาจะยินดีในการทำความชั่วได้ยังไงเขาต้องทำความดีไปตลอดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคนมีใจสะอาดเขา้ามีคุณธรรมใจที่ยอมรับเหตุผล ใจไม่ดันทุลังใครพูดออกมาจะเป็นเด็กผู้ใหญ่พูดก็ตามถ้าหากว่าเขาพูดมีเหตุมีผลเราก็ต้องยอมรับรับฟังทําให้จิตใจไม่มัวหมองไปลวกกิเลสราคะโทสะโมหะถึงจะมีราคะโทสะโมหะก็ต้องพยายามให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าหาว่าเราทําใจให้สะอาด อยู่อย่างนี้เป็นผู้หงายรับเหตุรับผลเป็นผู้ไม่ดันทุลังเป็นผู้ไม่ใช้อารมณ์โรบโกรธหลงเข้าสู่จิตใจผู้นั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองดยอำนาจขุนพศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุ้มครองพวกเราจงประสบแต่ความสุข ความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขใหยสมหวังดังปรารถนาทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนด้วยเทิน